เรื่องอัญญะเดียรถีเปลือยไม่โกนผมพิกษูทั้งหลายถ้ากุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญะเดียรถีเปลือยกายมาพึงสแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปชาเป็นเจ้าของถ้ายังไม่ปรงผมมาสงพึงอุปโลกเพื่อปรงผม